ก็จะได้กล่าวทรมีคาถาเพื่อเสริมสร้างให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดได้ดวงตาเห็นธรรมสมควรแก่การประพฤติปฏิิธรรม เป็นลาดับสืบต่อไปวันนี้ก็จะพูดเรื่องปารมีสามสบทัศเมื่อวานในพูดเป็นละทานปารมีวันนี้ก็จะพูดเรื่องศีลปารมีศีละเนี่ยศีละตัวเนี้ยฉะนั้นหนึ่งเราต้องรู้จักคำว่าศีลคืออะไร ศีลหมายความว่ารักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเห็นไหมนะต้องรักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลคําว่าเรียบร้อยก็หมายถึงสงบไม่อึกระทึกคึกขนองอะไรประมาณนี้ เป็นผู้มีศีลเดินก็งามนั่งก็งามยืนก็งามแม้แต่นอนก็งามงามไปหมดงามเบื้องต้นคือศีลงามท่ากลางคือสมาธิ งามที่สุดก็คือปัญญาฉะนั้นตอนท้ายพระทัญนจะสรุปให้ศีลสีเลนะสุขติยันติศีเลนโภคะสัมปทา สีเลนนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยแปลเป็นภาษาไทยได้เจ้ความว่าจะมีความสุขได้ก็ต้องอาศัยศีลจะมีพวกทรัพย์ได้ก็ต้องอาศัยศีลจะดับทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยศีลนินพุติงยันติ สีลังวิโสทยเยแปลว่าเชิญท่านทั้งหลายมารักษาศีลกันเถิดเห็นไหมละ่ะแปลออกมาแล้วได้ได้ความหมายโดยประมาณนี้แหละ <c oughs> ฉะนั้นหนึ่งเราต้องรู้จักศีลศีลของโยมก็คือศีลแปดไม่รู้จักก็ต้องอานหนังสือ ส่วนมวนแปลน่ะไปอ่านให้รู้จักข้อที่หนึ่งเว้นอะไรเวรมณีแปลว่าเว้นสิกขาประทังสมาธิยามินี่คือสิกขาบทหนึ่งที่ข้าพระเจ้าสมาทานเอาแล้วโยมสมาทานเอาเองสมาทานต่อหน้าพระดังนั้นโยมก็ต้องรักษา ถ้าไม่รักษาก็กหกกลายเป็นโกหกพละอีกใช่ไผิดศีลแหละข้อ 2, ข้อสข้อสข้อหข้อ6กข้อเจ็ดข้อ8ก็เหมือนกันเวรมณีคือเว้นสมาธิยามิีิก็คือศีลข้อหนึ่งที่ข้าพระเจ้าสมาทานแล้วก็สองข้อสาแล้วก็สมาทานเหมือนกันหมด อันนี้ทำความเข้าใจเรื่องการมีศีลในสามระดับระดับที่หนึ่งเขาเรียกว่าสมาธานวิรัต ย, ยกตัวอย่างเช่นรับศีลกับหลวงพอ่อหรือพระองค์อื่นๆเขาเรียกว่าสมาธานวิรัต ส, ส, ส่วนสัมส่วนสัมปตวิรัตน์นี้ไม่ต้องสมาทานกับพระศีลเกิดที่ใจคือศีลมีเทวธรรมสองข้อมีฮิติความระยต่อบาปมีโอตตะปะสะดุ้งกลัวผลของบาปถ้าเรามีเทวธรรมธรรมของเทวดาเนี่ยเราก็มีศีลละ คือเราละอายเราก็ไม่ทําบาปไม่ผิดศีลเรากลัวผลของบาปเราก็ไม่ทําบาปคือผิดศีลเห็นไหมละ่ะชั้นที่สองเขเรียกว่าสัมปัตะวิรัตชั้นที่สก็เขาเรียกสมุเตเฉตวิรัตคือตัดขาดไปเลยชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ผิดศีลอีก เช่นปาริยบุคคลเป็นต้นโซดาบันตะ ก, กิตาคามีอนาคามีพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ท่านจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตท่านยอมตายดีกว่ายอมศีนขาดขนาดนั้นเลยนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเพราะศีนนี่สำคัญ 1. ต้องรู้จักศีลว่าคืออะไรสองก็ต้องรักษาศีลทุกข้อพระก็เหมือนกัน227้อข้อเนี่ยเราก็ไปดูต้องรู้จักแล้วก็ต้องรักษาสาจึงจะเกิดมีศีลเห็นไหมละ่ะจึงจะเกิดมีศีลขึ้นที่กายที่วาจาร ศีลนี้รักษากายรักษาวาจาส่วนธรรมะนี่รักษาใจฉะนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจเรื่องศีลให้ท่องแท้ให้ชัดเจนให้รู้เรื่องถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้ไม่ฟังรู้ เราจะรู้ได้ไงเราทำผิดศีลนะข้อไหนข้อหนึ่งข้อสองข้อสาข้อสข้อหข้อหข้อเจ็ข้อเนี่ยเราไม่รู้เราก็ทำผิดศีลดิเพราะผิดศีลมันก็บาปแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปฉะนั้นบวชเนี่ยขอให้มันได้บุญบวชความหมายคือหยุด หยุดทำความชั่วทั้งปวงขณะที่เราบวชอยู่ให้ทำความดีให้ถึงพร้อมให้ชำระรางจิตใจให้ขาวรอบนี่คือเป้าหมายหลักๆของคำว่าบวชไม่ใช่บวชตามประเพณีบวชนิสงสารบวชผลานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนา ทุกวันนี่เยอะเลยพวกบวชผ่านเข้าสู่ก็เยอะบวชเพื่อนศาสนาก็เยอะดูกันเอากันแล้วกัน<ม>เราจะบวชประเภทไหนดีบวชนิสงสารน่ะดีเป็นผู้เห็นภัยในวัฏตตสงสารพิขูพิกสุ เหลือนักบวชทุกประเภทนั่นแหละต้องมีศีลนนะเบื้องต้นนะนะศีลนี่อุปมาอุปไมเหมือนกับพื้นแผ่นดินนะพื้นแผ่นดินตรงไหนมันชุ่มชื้นดีแสดงว่าศีลนี่ดีญาติโยมเอามาปลูกพืชปลูกพริกปลูกมะเขือมันก็งอกงาม เช่นญาติโยมเขามาทำบุญให้ทานทุกวันทุกวั น, ท, วนทำไมเขามาทำวัดเรามากันทุกวันเลยเนะี่ยวันนี้ก็โยมไม่ดีนึ ก, ก, กว่าแกสวรรคนคตไปแล้วโอยังอยู่โยมไม่ดีปวงคำมาปฏิบัติทั้ง30กว่าปีแล้วรุ่นแรกๆเลยมารุ่นแรก แกถามหาคนนุ่นคนนี้คน น, ค น, นี้คนนุ่นที่แกรู้จักกันนะส่วนใหญ่ก็ไปกันหมดแล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ใครอายุเกินห้าสิบก็แสดงว่ากำไรแล้วฉะนั้นเราจงใช้ชีวิตในบ้านปลายนะให้มันเป็นสุขอยู่กับศีลอยู่กับธรรม คนมีศีลก็สุขล้ำคนมีธรรมก็สุขเลิศให้มันเกิดทั้งสุขล้ำสุขเลิศนี่แหละชีวิตเราจะได้ไม่ตกต่ำหมายถึงไม่ทุกข์ทุกข์เราก็มาแก้ทุกข์ด้วยการรักษาศีล น, นี่แหละรักษาศีลมาเจริญจิตตภาวนาเนี่ย อย่างนี้มันแก้ทุกทางใจได้ตรงเป้าหมายตรงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาศีลให้เขาดูกระตอนอันยหยเขาได้เห็นเป็นลมโพ ร, ร่มใสให้ลูกหลานได้ร่มเย็นพ่อแม่มีศีลลูกก็ล่มเย็น ตรงกันข้ามเหมือน ก, นกันกับพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันสมมุติบ้านนั้นแทนที่จะเป็นบ้านเทวดากลับเป็นบ้านนรกที่ถ้วยชามเพบินออกทางหน้าต่างกบางบ้านเคยเคยเห็นเมื่อก่อนอยู่ที่อำเภอพิชัยวัดมหาธาตุสมัยเป็นเดนน่ เมียแกขายหมูผัวแกก็มาก็อาศัยเมียกินนตอนเย็นนี่เอาอะไรทะเลาะกันละทุกวันรู้วันมีอยู่ปีหนึ่งปีใหม่นี่ไงเขายิงปืนกันป้งปั้งป้งป้งปังเที่ยงคืนเนี่ยนะผลที่สุดตอนเช้าแกเป็นศพละไม่รู้ว่าใครยิงมันมันไม่รู้ใครยิงอ่ะจับมือใครดนไม่ได้ เขามันเป็นประเพณีเหมือนก็จุดผุจุดอะไรพวกพวกญาติโยมบางท่านบางคนน่นนะนั่นแหละคือทะเลาะกันทุกเย็นนะพระเนรเข้าไปตัดยาก็ได้ยินชีวิตครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะ ต้องทำความเข้าใจกันระหว่างคู่สามีภรรยาเนี่ยที่แรกก็รักกันชอบกันนะพออยู่กันไปอยู่กันมาชักรู้จิตรู้ใจนิสัยเก่ามันออกสัญชาตญาณทั้งฝ่ายชายทั้งฝ่ายหญิงที่มันก็ผุดขึ้นมาคือลืมตัวเมื่อก่อนมัน เป็นนิสัยอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นคนเราเผลออยู่กันก็เป็นทุกข์แทนที่จะเป็นสุขไม่ใช่อยู่กันแบบพ่อพ่อแม่แม่อย่างนั้นก็เป็นสุขมันเรียกว่าครอบครัวของเทวดาอยากดีมีจนอะไรก็อยู่กันไปหาเลี้ยงกันไปกินกันไป ส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะทุกข์เพราะเรื่องหากินเงินไม่พอใช้แต่ความอยากได้มันมีมากรถก็ผ่อนตู้เย็นก็ผ่อนบ้านก็ผ่อนอะไรก็ผ่อนหมดเงินเดือนออกมาไม่มีเหลือเลยอย่างเงี้ยก็ไปผ่อนเขาหมดเขาหาักเอาหมดเนี่ยอ้าวใจไม่ดีนะคนนี้คุยกันเจ๊ ก, ก, กไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะี ไม่เหมือนบางคนก็พออยู่พอกินพอใช้พอมีคือพอใจอ่ะเขาก็อยู่กันได้ถึงมันจะอดบ้างมีบ้างก็ยังอยู่กันสบายเพราะเขาเข้าใจกันต้องคุยกันต้องพูดกันในเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันนะโอ้ครอบครัวเนี่ยลำบาก าต้องอาศัยสินเป็นพื้นฐานลูกมีสินพ่อมีสินแม่มีสินก็ไม่ได้ไปทาอะไรผิดมีสินมีทมกันอยู่กันแบบพ่อพ่อแม่แม่แมลูกลูกถึงเวลากินก็กิกนกินเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันจากเล็กน้อยสั่งสอนบ้างลูกคนไหนดื้อก็ต้องสั่งสอนลูกก็ต้องฟังพ่อแม่ ถ้าไม่ฟังพ่อแม่อะไรจะไปฟังใครล่ะใครก็ไม่สั่งสอนเพราะไม่ใช่ลูกเขาอันนี้มันเป็นพ่อแม่เราเขาจึงสั่งสอนมีพ่อแม่คนไหนมั่งสั่งสอนให้ลูกชั่วเนี่ยไม่มีมีแต่งสั่งสอนให้ลูกดีได้ดีเรียนจบ มันรับปริญญาพ่อแม่ก็ชื่นใจโอ้ลูกกูเรียนจบแล้วเว้ยเห็นไหมเรเรียนจบแล้วก็หางานให้ทำอีกเห็นไหมะ่ะมันดีขนาดไหนมีพ่อมีแม่ดีเนี่ยฉะนั้นต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมนะมโบราณท่านประพันธ์ไว้ว่า อันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีข้าราชการไม่มีศีลก็สิ้นดีพระเนรชีไม่มีศีลก็เลวทราำเห็นไหมละ่ะโอ้โหปรับหนักเลยเลวทรามเลยนะพระเนรชีหนักกว่าเพื่อนเลยดังนั้นเราต้อง พยายามรักษาให้มันได้กิดบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างพระเราก็ปงอบัตจ ạ หมายถึงบอกความบริสุทธิ์ของตนเองทุกวันสุะสุอืิอสุติปัจจตังความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์รู้ได้เฉพาะตนเองจริงๆที่เราอาศัยบอกความบริสุทธิ์ จะเป็นอะบาดชั้นกลางก็ดอบไว้ดอบไว้หยุดไว้มีโอกาสเวลาก็าไปประพฤติพุทธานวิธีมันก็หายได้พูดตามพระธรรมวินัยนะแต่หนักราชิกสีเนะี่ยจบกันเลยชาตินี้บวชอีกก็ไม่เป็นพระและ้วฉะนั้นเราต้องระวังสี่ข้อนี่ให้ดี รักของเขาแกล้งค่ามนุษย์ในตายเนี่ยเศษเมถุนอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนหมายเอามักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหรือมีหรืออีงนะสมาบัตแปดนี่คนี่ก็จัดเข้านี่พวกเหาะเหินเดินอากาศอะไรเนี่ยบางรูปบางองค์แสดงอิทธิฤทธิปฏิหาร ดูแล้วมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่อะพูดตามพระธรรมวินัยแล้วมันไม่ใช่แต่ก็แปกโยงก็ขึ้นเยอะนะถ้ากลุ่มนี้โอโอ้โหเขามีเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาเลยนะทอดพระปาทีก็ถิ่นทีได้เป็นเกือบร้อยล้านร้อยล้านทั น, นพวกนี้ คนมันขึ้นไปอย่างงั้นจะไปทํำยังไงมันคนโนมันเชื่ออย่างงั้นจะไปสอนอยังไงมันก็ยากพวกมิจฉาทิฏฐิไอสมมาทิฏฐิก็มีแต่มันน้อยมันสู้มิจฉาทิฏฐิก็ไม่ไหวหรอกในร้อยคนเนี่ยสมมาทิฏฐิสักสิบคนเกคนเป็นมิจฉาทิฏฐิมด โดยสมมุตินะโดยสมมุติให้ฟังเทียบเคียงให้ฟังไม่ได้ว่าจะเป็นไปตามที่หลวงพ่อพูดทั้งหมดก็หาไม่แต่อุปมาอุปไมยเทียบเคียงให้ฟังเฉยๆอันนั้นเราละ่ะแล้วโอปัญญโกก็้มาใส่ตัวเราด้ยตัวเราเป็นอะไรนะความคิดเห็นนั้นเป็นสัมมาทิฐิไหม หรือมันเป็นวิชาทิฏฐิไหมอะไรเนี่ยเราต้องตรวจดูทุกวันอะทีก็นั่งดูจิตตัวเองบางครั้งดี๋ยวมันเกิดดูมันดับดูมันเกิดดูมันดับโอ้ยวันวันหนึ่งไม่รู้เกิดกี่ครั้งเป็นหมื่นครั้งแสนครั้งกันนี่เนี่ยก็เรียกว่าเกิดเกิดยางไงคือเกิดจิตเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดอิจฉาเกิดลิสยาเกิด สะปะสเปดอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าการเกิดของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมันก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมันไม่ใช่จะเกิดติดต่อกันตลอดทั้งวันทั้งคืนหามีไม่ไม่มีมันเกิดดับ น้องปูชาท่านก็บอกมันเป็นอาการของจิตเฉยๆเราต้องรู้เท่าทันจิตใจแล้วนะไม่งั้นโอ้อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยลำบากแนละทุกวันเนี่ยถ้าไม่รู้เท่าทันใจตัวเองอนี่ใจไม่คิดอย่างนี้ไอผ้ผิดศีลผิดธรรมไม่เอาไม่เอาไม่เอ า, เอาต้องต้องห้ามเขาต้องใช้สติเนี่ยปกครองใจนะต้องใช้สติ ปกกองใจสติสพัพพถปิติยาสตินี้จําเป็นทุกเมื่อเลยใจไม่คิดโลภไม่โลภมันต้องห้ามมันอย่างงี้ใจไม่คิดโกรธไม่โกรธต้องห้ามมันอย่างงี้ใจไม่คิดหลงไม่หลงต้องห้ามมันอย่างเงี้ยทางนั้นทางนี้เราต้องดูตามดูเลยนะเขาเรียวกว่าดูจิตดูใจ ระวังจิตระวังใจรักษาจิตรักษาใจเนี่ยจิตดวงเดียวนี่แหละที่มันจะต้องไปกับเราแล้วมันจะอยู่กับเราจากนั้นคนฉลาเขาจึงมุ่งไปที่จิตคือการภาวนาเลยภาวนาทุกชาวสายใบยข้าำพุทธโธอยู่เสมอเอาหลัก เอาพุท ธ, ธานุสตินี่เป็นหลักใจสักวันหนึ่งท่านจะรู้ใจตัวเองว่าอ๋อสังขารมันปรุงไปเรื่อ ย, อยรู้ทันแล้วเนี่ยเพราะอ๋อเราก็แสดงว่าอ๋อรู้ทันใจตัวเองนะทีนี้หมดปัญหาเลยมันจะเกิดอะไรเราก็รู้ทันหมดในที่สุดใจมันก็ไม่เกิดแล้วมันเพราะเรารู้ทันสติเรารู้ทัน เป็นตัวกันเป็นตัวกันน่ะเองคิดผิดแล้วะรู้ทันเองพูดผิดแล้วนะรู้ทันเองทำผิดแล้วนะรู้ทันหมายถึงตัวเราโดยสมมุติเพราะเรารู้ทันอาการของจิตรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยอยอยู่ที่ไหนก็สบายต้องรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ไม่รู้มันจะแย่ เพราะกิเลสมันสิงแก้ไม่ทันก็ตายเลยอันตรายบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองฆ่าตัวตายให้ไม่รู้แล้วรอดไปคิดในแค่นั้นหนหะเพราะไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยไงไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรชอบอะไร ชั่วอะไรดีอะไรไม่ดีนะเราแยกแยกไม่ออกไงเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเรามาไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมชาวสายใบคำอย่างเงี้ยสักสิบวันเนี่ยโอ้ท่านจะได้ความรู้เยอะเลยเนี่ยก่อนตามวัดพระท่านก็เปิดเทปกูบาอาจารย์ให้ฟังตอนเช้าพระท่านก็เปิดเทปให้ฟังตอนฉันก็เปิดเห็นไหมลนะ่ะ โอ้ประไตบิดกกันนั่นแะไม่ต้องอ่านเลยฟังอย่างเดียวน่ะ850ชั่วโมงฟังปีกว่าน่ะปีกว่าถึงจะจบถ้าฟังวันละครึ่งชั่วโมงนียนะนี่เช่นน้อยน้อยน่นโยมก็ซื้อมาถวายโยมอนันยาลูกของแม่โบเหลียวเนี่ยซื้อมาถวายสองหมื่นนั่นแหะ โยมผู้หญิงก็อ่านพระไตรปิฎกเขาเรียกว่าเสียงอ่านแล้วก็ฟังรู้มัง่งไม่รู้มั่งกว่ายังดีนะให้มันผ่านสมองผ่านใจไปจะนั้นเรื่องศีลเนี่ยเข้าใจกันไหมหรือไม่เข้าใจก็ถามได้นะแต่เข้าใจก็ขอสมมุจุติการกล่าวธรรมะเรื่อง ศีลบารมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความรู้ยิ่งเห็นจริ ง, งในพระสัทธรรมจงมังเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังโดยทั่วหน้ากันทุกทุกท่านทุกทุกคนเธอดอุสานุทอนุมโมทา